ทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการกระทมของพวกเราหมากักบก็ปุงยาหม้อใหญ่แทนที่จะมียาตัวเดียวก็มีหลายๆตัวส่วนประกอบเข้าไปตัวยาที่นำยาอื่นเพื่อเป็นคุณภาพก็มียาหัวอ้อยดำถ้าเป็นยาต้ม ถ้าขาจยาหัวอ่อยรอมยาก็ไม่มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนประกอบวันนองแต่มายังพุทธการต้นๆการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีไม่มากเพียงแต่ชี้ทางผิดทางถูกทำมดสอนิการโยกเป็นทางผิดไปไม่ได้ตัน อัฏฐะที่บาโยกก็ผิดสุดตรงในถูกที่ถูกทางจึงมีมัชฌิมาปฏิปทาในความพอดีแล้วก็แสดงถึงอนตองอัตตาลักมาโสดุท่าก็อริรสัต4ีเกิดประหารขึ้นมาโดยแยะพระองได้เดินทาง ม, มาแบบนี้ก็สอนแบบนี้ จากการพิสูจน์ของตัวเองกำลังบอกคนอื่นถ้าจะเป็นการปฏิบัติที่เราจะพอประมวลลงคือมีสติเป็นตัวนำเน้นยาง้อใหญ่สติเป็นตัวนำเพื่อให้เกิดคุณภาพในการปาราลกความเพียรนั่นก็ไม่ส่วนประกอบไม่ความเพียรแสดงออก กล้าเวลามันหลงกล้าประเชิญกับความหลงรู้สึกตัวเข้าไปถึงขวามรู้สึกตัวเป็นตัวนองไม่ใช่แปลวาผิดเอาถูกกับความผิดความถูกไม่ใช่ว่าได้ว่าเสียแต่ว่ามีความเพียรมีสติสาเร็จแล้วในความผิดถึงขวมรู้สึกตัวแล้วเหตที่มันรู้สึกตัวได้เพราะมันผิด ถ้าความผิดเป็นความผิดไม่รู้สึกตัวก็ไม่สำเร็จรักษาโรคไม่หายยึงมีส่วนประกอบมีสันทะพอใจในการกระทำของเราร้อยๆอย่างมีจิตเอาใจใสอยู่เสมอบางทีพระองค์สมัยวอมเพนโคที่ทำนั้นอาจจะหลายอย่าง อาจจะมีความรักไปด้วยรักมนมุษย์เห็นมนมุษย์ทั้งหลายเกิดเจ็บเจ็บตายรับผิดชอบเป็นส่วนคุณรนดันเงเรียกว่าเมตตาที่คุณยิ่งใหญ่ไม่ท้อถอยพวกเรานีนก็มีส่วนประกอบเั้งนี้พอสมควรมีพ่อมีแม่มีพี่น้องบุตรปรญญาสามีที่เป็นจตัถจียาประโยชน์ตอญาติ เราก็มีส่วนหนังที่เป็นของโลกเราก็มีส่วนหนังที่รับผิดชอบทอดลอยไม่ทอดเท้ไม่็นทอดถอยเอาตัวเองเป็นตัวประกอบเพื่อศึกษาเรื่องนี้เข้าไปไม่ทอดถอยเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่หวั่นไหวให้ตา่าด้วยคนยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ดำเนทางได้ในให้เกิดความเพียรความฉันทะความพอใจกวามพอใจใส่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 หม่หวางใจไปทางอื่นทิ่งที้งคว่วงควางทำลายต้องใส่ใจตามจึงสําเร็จได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันให้มีส่วนประกอบอย่าหลุดหล่นได้ง่ายเวลาเราทำความดีเวลาเราละความชั่วอย่าเห็นความดีเจอตัวเองอย่าเห็นความชั่วเจอตัวเองตัดสินใจผลพันธพันแล่นมีความยับยั้งชั่งใจ ให้ดีเพื่อจะหนักแน่นให้มากขึ้นเหมือ น, นเด็กตั้งไข่หัดนั่งหัดเดินไม่ใช่ว่านั่งไปได้ก็ยอมลอยเดินไม่ได้ล้มลงก็ยอมลอยไม่ยอมลุกอันนี้ก็ไม่มีความเข้มแข็งนั่งไม่ได้เดินไม่ได้แล่วก็มีธรรมชาติอยู่ก็เรามองรอบรอบ เวลาล้มก็ลุกขึ้นได้เวลาทุกข์ก็ไม่ทุกข์ได้มองแบบนี้เวลาหลงก็ไม่หลงได้อย่าหมดปัญญาอย่าหมดตัวเพราะความทุกข์อย่าหมดน่วงห่ดตัวเพราะความหลงมันมีสิ่งที่เป็นคู่อยู่นี่คือสิ่งที่ทำให้เราหนักแน่นมัน่นคงในการทำงานทำการทุกอย่างอย่าให้เปาะบางเกินไปในการทำความดี ละความชั่วนันก็มีส่วนประกอบต่อมาพระองค์ก็โทษเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาอนอืนมาประกอบรอยเป็นเรื่องใหญ่ว่าไต่ปีโดแปด0มืองสี่พเรื่องเห็นคนอื่นผิดเห็นคนอื่นถูกมาประกอบในการสั่งสอนยิ่งแน่นหนาในความดีมากขึ้นเห็นคนทําผิดก็ เอามาประกอบแห็นคนทำถูกกมาประกอบให้เกิดกวาผิดหายไปให้ควบความถูกเจริญขึ้นเช่นเด็กปินเกียร์มานุปยืนว่ทิศทั้งหกท่าทิศทั้งหกมีอะไรจําไม่ได้ถ้าจะทิศเหนือทิศใต้ต้งดอกต้นตอกแียงเหนือต้นดอกแขยงใต้ต้นดอกแขยงเหนือต้นดอกแขงยงใต้ทั้งหกทิศที่มานุปยืนว่ายอยู่ ทูตเจ้าไปเห็นแล้วก็ถามเธอทาอะไรมาโนบมาโนบก็บอ ก, ก ว, ว่าเราไหวทิศทําไมจึงไหวทิศปิดาสั่งเอาไว้ก่อนที่ปิดาจะตายไปบิดาได้สั่งเด็ขาดให้ไหวทิศทั้งหกนาตอนมงกรมาไหวทิศเตยียนไหวทิศตื่นขึ้นมาไหวทิศอยู่ทูตเจ้าไปเจอเข้าก็เลยถาม ทิศเหนือทิศใต้ถ่องโตถ่อหลอกเสียงใต้เสียงเหนือแล้วบองก็เสนอเข้าไปว่าเราก็มีทิศเหมือนกันทิศทั้งหกทั้งเราคือทิศเบ้างหน้าบิดามารดาอย่าทอดทิศให้เคารพอยู่เสมอเกี่ยวข้องอยู่เสมอทิศเบื้องบนสำนะกขีาพามศีลธรรมให้เคารพทิศเบื้องล่าง ผู้เกี่ยวข้องกับเราคนที่น้อยกว่าเราคนชายในบ้านคนผู้ด้อยกว่าเราเคารพเข า, เขาช่วยเหลือเขาทิดเบิงขวาอาจารย์ก็าตอ้องเคารพเราต้องเรียนตั้พ่อก่อตามครูมีครูบาอาจารย์ทุกคนอย่าประมาททิฏเบิงซาคือมิตรคบกว่ามิตรต้องระมัดระวงังมิตรแท้มิตรเทียมเป็นอย่างไรดูดีด ที่เบื้องหลังคือปัญญาบุตรปัญญาสามีนี่ก็สำคัญต้องเคารพมาโนบ ก, ก็เห็นโอ้ยถูกต้องแล้วมารดาบิดาของเราจะอบอกเรื่องนี้กันเหมือนถึงประสานกับทฤ่ทั้งหกโลกตัวเราไม่ใช่เราคนเดียวการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเอามาประยุกต์กับการปฏิบัติ แต่นี่พ่อแม่ก็อยู่กับเราเพื่อนมอเมตต์อยู่กับเราครูบาอาจารย์อยู่กับเราตกสิทธิลกหาอยู่กับเราพระผู้ประถังพระสงฆ์อยู่กับเราแล้วเราก็มีเสียด้วยมีพ่อมีแม่กันทุกคนมีเพื่อนกันทุกคนมีครูบาอาจารย์กันทุกคนมีสำนักขีพามมีฉินสมาธิ ป, ปัญญาอยู่รอบตัวเราเอ่ายใจวันหนักแท้นนี่เรีว่าทิศ ท, ทั้งหก มานบก็นั่งก็เลกการไหวท้ทิศฐนหน้าไปทางทิศด้านฐานหน้าทางที่นี่เลยมาเคารพเกี่ยวข้องกับเราทั้งหกอย่างเนี่ยเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเหมืนไทยมาเลเซียเวียดนามกัมพูช์ลาวพมาอะไรรอประเทศกับเพื่อนประเทศมิตรประเทศถ้าทะเลาะกันก็ลําบากจึงเป็นประเทศอาเซียน สามัคคีกันตกลงกันสัญพิจสัญญาต่อกั น, า น, นจากนั่นเราก็ต้องมีเครื่องนี้ไปจำใจต่อวิดามัรดาครัวจานเพื่อนมิตรสหายก็ผู้กระทำพระสงคเ์เราเช่าดูอยู่คนเดียวเราทําดีคนอื่นก็สบายด้วยเราทําเครอะคนอืนก็เดือดร้อนเราก็ควรรับผิดชอบไม่ใช่กายใจอย่างเดียวแต่ต้องออกบ้างเวลาเราประลบความเพียรไม่ใช่ ดุนดุนเดาเดามันจะเข้มแข็งมากจะว่าเวยายเดียวได้เรานั่งอยู่นี้พ่อแม่นั่งอยู่กับเราพ่อเพืพ่อทำพระสองฆ์อยู่กับเราครูบาอาจาย์อยู่กับเราเราหลงต่อไปสอนทําที่รถเครื่องบินใหญ่ไปพ่นขนาดใหญ่มองไปทางหน้าทางหลังมีแต่คนอื่นไม่มีคน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 ไม่ใช่เราคนเดียวจากนี้มันก็ไม่ใช่จะเดียวดายอะไระดีพระพุทธเจ้ายัางสอนพระสงฆ์ราวพวกเธออยู่ในป่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกลัวขึ้นมาเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาให้เธอนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าพ่อหน้าอยู่กับท่านแล้วในคนความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าว่าเอเยะกลัวตาย ลากลัวขึ้นมาอย่าน้นว่าตัวคนเดียวที่จากนี้สร้างสิ่งวัลล้อมใใจในกายอย่างนี้มันจะเข้มแข็งมากในการใช้ชีวิตของเราไม่มีอะไรที่น่ากลัวในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ยอมแพ้ง่ายในโลกนี้ภาษาอะไรกี่เด็ดตัณหาที่มันเกิดขึ้นกับเราความหลงเกิดขึ้นกับเราความกดเกิดขึ้นกับเรามันไม่มีภาษาอะไร ตอนไหวเท่ามาเราเนี่ยยิ่งใหญ่นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวพุธธรรมพระ ส, สงฆ์ในคนงามความดีมีศีลสมาธิปัญญามีสติไม่เมตตากรน่าไม่เป็นศัตรูกับใครเจอช่างเจอเสือก็ไม่เป็นศัตรูกับช่างกับเสือเจองูก็เป็นศัตรูกับงูหรือว่าเราไป็นเมตกันตามใจทําใจทำใจ ไม่หวั่นไหวถ้าเราจะมีอะไรก็เป็นัะโตกันมาาันก็แสดงออกมั้นเมื่อวานนี้เดินไปฉันเท่าทิศลาอาสนะศ า, าลาเอกลอกเดินโชว์นั่งโชว์อยู่ไม่ไผ่เห็นพวกเราก็โโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติเดินถ่ายกล้องเอา็าจะลอกก็โชว์อยู่ มันรู้จักจว่าเราไม่เป็นศัตรูกับเขาตอนที่เขาจะกลัวเราเขาก็เลยเป็นมิตรกับเราได้เพราะถ้าทางเขาเรามันไม่เป็นศัตรูกับใครลองเจอเหือเจอช่างลองดูหลองตาเคยไปเจอฝูงดิงคำหุด ต, ตัวใหญ่อันําท่าจะลมเราเราก็สแสดงถึงความเป็นมิตรกันไม่เป็นศัตรูกับมันแต่เรามองหน้ามันก็จิ่เขี้ยวใส่ ถ้าเราเฉยๆมันก็เฉยๆจบตากันแบบเป็นมิตรไม่เป็นศัตรูกับกันแล้วกันมันก็อยู่ด้วยกันเตามานั่งปรากฏมันก็มานั่งล้อมดูเราแบบเป็นเพื่อนกันเต้าเข้าไปใน ม, งม้งแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็นอนหลับขึ้นมาไม่รู้ปัญหายไปไหนหงดิงใหญ่อยู่ถ้า เดืเขาใหญ่โดงใหญ่กลางดงชุมพรนี่ก็อะไรก็ตามอย่ามองเป็นบวกเป็นลบไม่สติเข้าไปลหลายอย่างไม่หวั่นไหวนอนแค่นะ้ำฝนตกทั้งคืนเราก็ไม่เดือดร้อนเปียกเราก็ไม่เดือดร้อนเรางงเราอะไรหลายอย่างมองเปโกบเป็นเขียดก็ได้มองเป็นป้หมีอะไรก็ได้นอนหลับ เอาหนึ่งไปนั้งอยู่แถวกวนพระเยาว์เดินฤ ด, ดงไปอบรมพระใจจิงสมภารฉันข้าวมือเดียวนอนป่าชาตเป็นวัดก็ป่าชาคนแถวนั้นก็มีแถวจังหวัดพระเยามันกวนพระเยาว์มันเป็นทุ่งนาอู่ข้าวอู่น้ํามีแต่ทุ่งเดินผ่านไปหาป่าชาเขาเขาก็บอก อยู่กองช่ง่งก็เดินไปมีนิดหน่อยมีชะลาหลังเดียวมีน้ำซึมด้วยในช่วงเดือนพฤกีกาเขายังเกี่ยวข้าวไมาเ่เสร็จดินก็ยังไม่แห้งดีก็มีเ่าเผาศพมีชะลาหลังหนึ่งพวกเราตั้งเกดจิบกัารูปก็ไปไปนั่งบนดินมาได้เพราะมันเปียก ต้องอยู่ในศาล า, าดีวันนั้นเขาก็มาเผาศพเวลาเขาแหย่ศพมาเผาเราก็เป็นหัวหน้าก็บอกให้พระทั้งหลายไปนั่งอยู่รอบรอบรอบรอ บ, บริเวณหาหน้าเข้าป่าเขา้าไม่ต้องสนใจอะไรหันหลังให้ทงางศาลาเขาโขาแหมาแต่ก็นั่งเฉยไม่ดูไม่สนใจบอกพระทั้งหลายว่า แล้วก็มาเผาศพตามประเพณีของเขาพอเผาศพเสร็จชาวบ้านก็กลับหมดเหลือแต่ชปะเลยสีห้าคนเอาไม้ไผ่มาเสียบศพออกมามาเอาจอบสับศพแลกแล้วก็เข้ากองไปเท่านึงเรามาอยากนั่งดูออจากจ่าให้เรียบร้อยอ่า ก็กองไปเผาใหม่อีกแล้วก็กลับบ้านพอเขากลับหมดเราก็ไปนั่งที่ศาลาจังเหม็นข่าวเหม็นข่าวสุกแล้ก็ไม่ไกลกับศาลาเอาเดินไปยวงเป็นชิ้นเนื้ออยู่ <c oughs> เออก็ก็อยู่ที่นั่นตจำเป็นต้องนอนที่นั่นแล้วก็ไม่วันไหวอะไรบางทีแต่วัดตอนเย็นตอนเช้ายั น, น, ย น, น, ยายนได้กินสก ไปเบียนธบาดกลับมามาชั้นเที่ยนก็ยังมีกลิ่นศพเอาสิเป็นงไงให้หวานไหวเพราะเราสมทานทุโถงขวัตไม่มีอะไรเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากสัจจะนะมันก็เป็นอย่างนี้อะไรก็จะส <Okay. S 1> ูดสลดได้ง่ายไม่ใช่อยู่นี่อยู่ได้อยู่ น, นั่นอยู่ไม่ได้ที่ลําบากให้นั่นสะดวกกว่านี้ กัวตัวลำบากอาหารก็าโอดตจากรจฮาที่เดี๋วก็ลําบากเดี๋ยวน่นดีกว่าขอสี้ตังดีกว่าจ <laughs> ะว้วอร์มาที่นี่ก็จนจนลาบสักระก็ไม่มีนะนี่พระโลภหนึ่งมาจากสายกุลกมาอยู่นี่จมั่นจ่าด้วยกันพอกมั่นจารีบกลับเลยผมกล่ว่าเขาเสียเวลาเจวลาอะไรแม่ตัว เขาก็บอกว่าถ้าอยู่ที่ต่นผมจามาสารในสามเดือนได้ไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นบาทอันนี้ไม่มีเงินสักไปเลยถ้าเลยให้ระเบียบบอกให้อาจารย์ท่านจ์โนดพระสงที่นี่จะนงศิลป์เวาออกจากรรษาแล้วเวลาเขาว่าทอดกับถิ่นมีเงินนิดนิดหน่อยหน่อยแบ่งให้พระหมดเลยจาเอาไว้เป็นค่ารถค่าเรือกลับบ้านก็คนเราพันสองพันบาท อ่าใช่จีบเปียบเหมือนนั้นอะไรก็มีปัญหาหมดอะแต่ยอายากเอาง่ายเป็นการกระทําความดีเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดต้องหลายหลายอย่าง่ะวันไหวง่ายจนเกินไปเดินจงกลมมาเหนื่อยก็่ะวันไหวมันงร้อนมาหนาวก็จะวันไหวถ้าว่าร้อนนักถ้าว่าหนาวนักถ้าว่าหิวนักถ้าว่าเหนื่อยนักไม่ทําการงานแล้วสันนันเรียกว่าเป็นคนเกียดคราด จะเอาอันนั่นมาต่อรองหัวก้าวนี่ยยากลำบากม่ใช่เราจะพูดถึงความยากลำบากแล้วพระศิรษฐสมัยบำเพ็ญคนที่ทำอยู่ลำบากกว่าพวกเราเพราะนั้นอย่าข้อถอยมันหลงก็ยิม้มมันลูกก็ยิม้มหัวเละาะตะพุธเพืออย่ามันไว้มันโศกก็รู้มันทุกข์ก็รู้ บางคนไม่มีมีปัญญาเกิดขึ้นก็จาหลงปัญญาจะหลงความรู้ของตนเวลามันจะหลงมากคือเวลาเห็นรูปตามเนี่ยมันจะหลงเห็นรูปตามนามธรรมมัมักจะหลงเห็นสุขเห็นทุกข์มักจะหลงเกิดความรู้ขึ้นมาตกแหลงความรู้ไม่เคยรู้มันมาลูกไม่เคยสุก ม, มันมาสุข ไม่เคยรู้จักบุญรู้จักบุญไม่เคยรู้จักบาปรู้จักบาปละบาปได้ทำ บ, บุญได้ตรงนี้มันจะลีใจสุขใจเมื่อค้าอย่าหลงบางทีมันเพลินไปกับความรู้ลำดับลำนำเรียกว่าปฐมฌานอะไรกันไหนนะผุ้แตกชานในธรรมตึกตอง มันตึกมันตองมันคิดทะลุทะหลวงทั้งหมดเลยไม่จะเป็นผู้รู้ไปลืมความเพียรไปนั่งรู้เดินรู้ตลอดลเวลาเดินก็เป็นกีนายเฉยไม่รู้สึกอะไรมีแต่ความรู้ที่ได้จากยานวิปัจนาญาณวิปัจนาญาณเกิดขึ้นเนี่ยทําให้หลงโศกโศกรู้ก็รู้อะไรไปหมดเลย อย่าหลงตัวไนอย่าลืมความเพียรอย่าลืมสติอย่ามอใหญ่ขาดไปได้คือสติอย่ามอใหญ่ขาดใหญ่คือยาหงอ้อรำต้องเป็นส่วนนำอยู่เสมอถ้ามันมีขนาดนี้เข้าไปไม่ออกฤธิถ้าขาดสติไม่มีฤทธิ์ฤทธิ์คือมีสติเกี่ยวข้องกับใจสามฤทธิชนะทั้งหมดเลยฤทธิท ความสุข ก, ก็รู้ความทุกก็รู้ความรู้ก็รู้เนี่ยฤทธิ์เนี่ยนําไปอย่าไปรู้เป็นจุดหมายปลายทางอย่าไปสุขเป็นจุดหมายปลายทางลืมมาได้คือความรู้สึกตัวในการทำความเพียร์น่ะมีกันทุกคนเห็นกันทุกคนอย่าสื่บซ้อกับเรื่องเหตุที่มันเกิดขึ้น อยไปเสาีเาต่อความทุกข์อย่าไปเสียเศร้าต่อความโกลงความลูกความดีใจเฉยใจยศึกษามันทั้งนั้นแหะให้เห็นให้เห็นให้เห็นการเห็นแจ้งกในความสุขเห็นแช้งใะความทุกข์เห็นแจ้งในอะไรต่างๆนี่แหละเรียกว่าปัญญาญาณญาณ น, นี่มันขนออกไปแต่ก่ ม, มันอยู่กับสุขกับทุกข์ บ่อนี่ไปเห็นสุขเนทุกข์มันออกมาสักหน่อยมันเห็นอะไรต่างๆเห็นตัวเป็นตนบ่อนี่มันเห็นจนเจอก็เห็นควาเกิดเห็นความเจอเห็นควาเจ็บเห็นคองตายไม่ใช่เป็นผู้เกิดไม่ใช่เป็นผู้แจ่ไม่ใช่เป็นผู้ตายถ้าไม่เห็นหรืมาจะเป็นการเห็นนี่มันขนสง่งขนสงข่งคือญาณปัญญาญาณ มีกันทุกคนว่าเราจะเคลื่อนย้ายออกไปไม่ยอมเคลื่อนยา้ายยอมอยู่กับมันมันก็มีอาสาทะสาธะอาสาธะมีรสชาติทั้งนั้นความสุข ก, ก็มีรสชาติความทุกข์ก็มีรสชาติที่เดชะหา ก, ก็มีรสชาติความโกรธก็มีรสชาติความรักก็มีรสชาติอย่าหลงต้องเห็นมันให้ดูมันให้เห็นมันจน คนทัญยาบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วควาไม่เที่ยงก็รู้แล้วว่าเป็นทุกข์ก็รู้แล้วความมาใช่ตัวตนก็รู้แล้วความทุกข์ก็รู้แล้วคงามสุขก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วจนพระพุทธเจ้าต้องชื่อให้ใหม่ว่าอนญาสิวัตโภคนันโยอญญาสิวัตโพคนันโยเป็นผู้แรกที่สุดที่ เข้าถึงธรรมเห็นดวงตาเห็นดรมนล้วแต่ก่อนชื่อโกฏธัญญาเฉยเฉยวอเป็นคนรู้ก่อนหมกุนเรียกว่าอัญญาสิอัญญาสิรู้ลแล้วรู้แล้วโดยเป็นพระสององค์แรกของรา ต, ตาไตอย่าเปราะบางไม่หลายส่วนนะปฏิบัติธรรมนะอย่าอะไรมาต่อรองบางทีเราอเอาแค่ อ่านลมมาตลองพี่เจียรติก็หยุดแค่ไหนหรือขยันก็ทําแค่ไหนหรือนิดหน่อยมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีส่วนประกอบเหมือนเขาปรงยาตั้งแต่อ่านน้ำพึ่งที่เขามาจากประเทศเยอรมนันเราส่งมาให้อ่านดูเขาว่าส่วนประกอบน้ำผึ้งรอยเปอร์เซ็นต์รอยเปอร์เซ็นต์คือน้ำผึ่งอะไรอีกล่ะมันก็ไม่มีแล้วแล้วมีส่วนประกอบอีกนิดหน่อย สติร0อยเปอร์ได้ไหมไม่ใช่ว่าเอาความอยากพาทำความดีเอาขี้เกียจพาละพาละการกระทำไม่ใช่เท่านั้นให้มากมากกว่านั้นร้อยเปอร์คือสติมันสุขก็มีสติร้อยเปอร์มันทุกข์ก็มีสติร้อยเปอเนย่างนี้ต่เป็นต่อรองนิดหน่อยให้เอาลงเป็นใหญ่ ไอ้เหตุปัจเจัยต่างๆเป็นใหญ่ไหนถกปัจจิโจรัมมาปจัจจโจอธิปติปัจจโยไม่ใช่มันมีเหตุตัวหลังนก้แค่มันลงไปสติไปเกี่ยวข้องสติตัวเฉลยตัวเฉลยให้ถึงสติได้ทุกกรณีในการปฏิบัติธรรมจะหยุดความเพียงก็มีสติพาหยุด ประกอบความเพียรก็มีสติผ่าทบอย่าเอาความขยันถ้าเอาความขยันเนี่ยมันจะผิดหวังให้มีส่วนประกอบมีสติมันจะเหนอเหนอะทุกอย่างคําว่าสตินเนี่ยมันก็ใช้ให้เราดูอยู่เราก็ศึกษามานันในการในใจเราเนี่มันไม่ใช่ เรื่องเดียวมันมีหลายอย่างที่มันแสดงออกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นทรรเป็นทำให้เราหลงจนนี่ไม่อยู่มาที่ไรก็รู้แล้วนี่เป็นกายเวลากายมันแสดงกายมันแสดงก็มีหลายฉากเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นฉกเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นหิวอ๋อย่างเกิดกับกายมันแสดง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 เป็นฉุกเป็นทุกข์ว่ากายนี้ป่านนี้เห็นแล้วเป็นจากแต่ว่ามาใช่ตัวตนเป็นจากว่ากายสวากรไม่ใช่ตัวตนสัตว์ปุงคนที่ไหนมั้นเป็นอย่างนี้มาแต่ชื่อว่ากายนี้งานเวทนาก็เหมือนกันอันเวทนามันก็มีอยู่มีสุขไม่ทุกข์ไม่อยู่ในกายนี้ในชีวิตเหล่านี้ ย่าให้เป็นเหตุในสุกขในทุกข์อ่านความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากเคปปัจจัยเหตุปัจจยโยอาลัมมนปัจจโ ย, ม, จจโยมีอารมณ์ลิขิต ช, ชีวิตเราให้อารมณ์พาไปคม่มร้ายข่มดีอารมณ์เป็นเหตุทําให้เราทงชั่วอารมณ์เป็นเหตุทาให้เราทําความดีไม่ใช่นับว่าอารมณ์อาลัมมณปัจจโยมันเป็นเหตุเราก็มีสติ นั่นไม่ใช่ตัวตนศักแต่ว่าเวทนาไว้ใจสัตว์บุกคลตัวตนเราเขากระจุกกับเราก็ะจุกคนอื่นใต้คนอื่นโกรธก็เรียกว่านั่นไม่ใช่เขาดอกธนาลมอย่าไปอารมณ์เป็นเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปโกรธเขาโกรธเขาก็ไม่ถูกเพราะอารมณ์ไม่มีตัวไม่ตนไปด่าเขาไปดูหน้าเขาขี้เกียจเขาไม่ใช่เป็นอารมณ์ เกิดกับเขาอื่นเค ก, กับเราก็เหมือนกันอารมนาปจิโอเห็นแล้วรู้แล้วอานก็คือเวทนาไม่ใช่สัตว์ปกคคลโตตนเราเขาสำลักหน้ามันแล้วเวทนาอิที่มันตคิดตู่นคิดนี้ก็เหมือนกันน่ะเนี้ยมันจะลงแถวนี้หละก็เห็นเนี่ยมันก็ไม่รับรีมาบอกเราตรงตรงวันั้นมันบอกเรา เราทีมันเป็นอะไรมันประกาศออกมาแต่เราก็เห็นอยู่ในเรานี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นถ้าเห็นตัวเราเห็ น, น, น, น, นคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นคนอื่นอย่างเนี่ยเรียกว่ากรรมาฐานแท้ๆทาไม่เกิดการเห็นขึ้นมาเห็นที่แรกไม่รู้ไม่แจ้งเห็นไปเห็นไปก็แจ้งว่าเราเห็นหน้ากันก็แจ้ง มอดี่ยินฉสีงพวกก็แจ้งควกในฟังอ่ะเป็นเสียงไกลจำได้มันเป็นสัญญามันมีอยู่ในรูปในนามนี้ในขันห้า ต, ต า, คาเคยไปกาแม่ยายแม่ของแม่พอ ก, กว่าปีตาก็ไม่เห็นแต่พี่น้องบอกว่า เมืงองยาไปบอกว่ามาจากไหนไปกราบดูให้แม่แม่ใหญ่เราก็ถามว่าผู้ใดนในแม่กราบเจ้าอยู่นั่นน่ะเจ้าเห็นบ่ก็อมองมาก็มาเห็นนอตาคนแก่ร้อยกว่าปีไม่รู้มาพอรู้แล้วผู้ใดล่ ะ, ละมาตะสายมาจากบ้านหน้องแกให้ใหญ่อยู่บ้านน้อง เ, ออเอรืออำเภอหนองเรือ แม่ผูใ้ใดเนาะฟังเสียงคือคือขำเขียนแพ้รจังช่ฟังเสียงคือขำเขียนงานบวชกระจักแล้วจะวางผูใ้ใดฉันแมหลานเลราแตเสียงว่ามันจําได้มันขาเขียนแล้วนะแต่ว่าจําว่าอะไรค่ะคนเถ่าเนาะ ยามากใกล้รู้คืออะไรอมาข้ามหัวข้ามหัวไปเขาข้ามหัวมาจับไปหูนี่จับไปหูเส้นหูโยนโยนโอ้ข้ามเขียนตัวในโลละมากระเพยเมียพิงไดนพี่น้องพ้งไหนเขาจับหูหูจับหูเอ๊ะทำไมเขาจับหูหรอแม่ใหญ่ว่าหูมันยาวเพรา่าอันนี้แ <reconnect> ม <eyelid forward> ่ใหญ่นะอันนี้ก็มีสัญญาณแล้ มีหมายสัญญาไม่ใช่จัดบุคคลโตตนโลคอลเป็นจักรวาธาต์เป็นจัตรวาขันอย่ายึดมั่นถือมั่ น, นจึงจะจํามาทําให้เป็นประโยชน์ให้รู้จักประโยชน์รู้จักโทษในใจเรานี้ในขันหน้านี้มีเห็นรูปทำนามทำเห็นรูปนามเห็นขันหน้าตามก็เป็นจริงอย่ายึดไว้ถือมั่น ใจที่มั่นถือมั่นถ้ารอยยออุปทานขัดลังห้าเป็นตัวทุกเอวังคือเอちนาก็เป็นทุกสัญญาก็เป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกไม่ทุกได้ไหมรูปไม่ทุกได้ไหมเมื่อมีทุกก็ต้องมีไม่ทุกคู่กันอยู่อยาไปทุกเพราะขันห้า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 เนี่ยกุณยารู้เลยผู้เจ้าแสดงไปกุณยารู้ตามไปตามไปติดติดติดตามไปทันนะกับการศึกษาที่เราตามทันหรือว่าันสอนเรื่องหนึ่งวันนี้จะมาต่ออีกเรื่องหนึ่งมันก็ตามมาตามมาตามมาตามมาบาทีคันลู่ล่วงไปก่อนผู้ที่สอนมันก็มีส่วนประกอบร้อมกันไป อาจารย์สอนเราก็รูปไปพร้อมมันก็เฉลยไปพร้อมรูปไปพร้อมเขียนก็ได้ทําก็ได้เช่นคณิตศาสตร์น้อตาก็สอนเด็กอนุบาลสมัยก่อนแม่ไก่เอาไข่วันละฟองไข่วันละฟองหนึ่งวันได้ไข่กี่ฟองตอบได้ไหมัมนไข่วันละฟองหนึ่งวันจะได้กี่ฟอง เปนเพลงด้วยนะแม่ไก่ออกไข่บรรพองไข่บรรพองหนึ่งวันได้ไข่จีฟองถามเด็กน้อยมันก็ตอบเด่กมันได้ไข่เรื่องฟองหนึ่งวันได้ไข่หนังฟองตอบดูสิแม่ไก่ออกไข่บรรพองหนึ่งวันได้ไก่จีฟองมันก็ตอบว่าหนึ่งวันได้ไข่หนังฟองมันก็บอกให้ไก่ออกไข่บรรพองสองวันได้ไข่จีฟอง เขาชี้เลยสองมันก็ได้สอ ง, งมันสอนขันอิจฉาให้เด็กนะใช่ไหมอ่าก็สอนไปสอนไปสอนไปนี่นมันติดตามอะ่ะถ้าไม่เงี่ยงหูฟังมันก็ไม่รู้เลยโกนทัญยาเงี่ยงหูฟังพุณเจ้าแสดงทรรมันก็ต้องรู้ตามไปนะบางทีขอไปนะหลวงพ่อเทียนพูดไปเราก็ฟังไปฟังไปเราก็ทําถทงที่หลวงพระเทียนพูด เราก็เห็นในสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดจริงไหนเราไม่เห็นนั่นก็ไม่รู้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดไม่ใช่หาคําตอบจากคองพเตอรเรื่องนี้ต้องทําให้มันเห็นนั้นเราไปโไม่ข้อชดปัญหาตั้งสิบยี่สิบข้อเราเขียนออกมาแจกออาไาถ้าข้อไดอ่านยังตอบไม่ได้จะเพิ่งไปตอบอ่านไปอ่านยี่สิบข้อ ท้อไหนตอบได้ตอบไปเว้นหน้ากระดาษเอาไว้ประมาณกี่แถวกี่แถวเว้นหน้าไว้ไปตอบข้อมันตอบได้ก่อนยี่สิบข้อถ้าไปตอบข้อแรกตอบได้ตอบได้ก็เขียนมันก็หมดเวลาก่อนกว่าไปเขียนจบหมดทั้งยี่สิบข้อก็หมดเวลาไปแล้วต้องตอบข้อที่มันตอบได้ก่อนตอบไปตอบไปข้อไหนตอบได้ก็เว้นว่างไว้ต้องมีกระดาษพดเจ็บมันจะมีจี่บันทัด ขีหน้าขีหน้าแล้วก็ทำงานเราก็ต่อไปตอบไปตอบไปตอบไป ต, อไปตอไป่อไปอันที่มันตอบได้พอมาตอบไปหมดทั้งหมดยี่สิบข้ออ้าวข้อนี่ง่ายทีเดียวมาตอบทีหลังได้มันแต่แขนงได้เมื่อเราไปประกอบนี่ก็เหมือนกันบางทีาลายเกิดขึ้นกับเราจะหาคําตอบทําความเพียายามเอาบางก็มีด้วยประการเช่นน